มาตางสบายกันเองวันนี้ก็จะเล่าเรื่องของผู้ที่ใช้คําว่าชีวิตนี้มีแต่ค ว, วามซวยให้โยมฟังดีกว่าคือคนที่จะเล่าเนี่ยไปออกรายการเจาะใจตั้งแต่เกิดนะคือซวยตลอดชีวิตเลยเคาะซ้ํากรคำซัดค่อนข้างจะดราม่าหน่อยที่จริงอาตมาเนี่ยจะเป็นคนที่พูดธรรมะออกไปทางแนวแนวแนวตลกอะคนฟังจะหัวร้อเฮฮาแต่เพื่อโยมอาตมาจะยอมดราม่าพูดอะไรที่แบบให้โยมแบบได้เห็นอะไรบางอย่าง ของการสูญเสียเพื่อได้เป็นข้อเตือนใจสกิดใจไม่ท้อแท้บีกลางใจต่อไปมีผู้หญิงอคนหนึ่งเธอชื่อว่ากเกษมสุขตอนที่เธออายุได้สองขวบเนี่ยพี่เลี้ยงก็ทำพลาดทำให้เธอตกน้ำเกือบตายเกือบตัวไม่รอดโชคดีที่ว่ามีคนช่วยได้ทันเลยรอดตายไปพออายุ8ปดขวบก็ตกน้ำอีกแล้วผุดขึ้นมาหลายครั้งจนพ่อเห็นพ่อก็ช่วยไวทันอีกก็รอดตาย จะกลายให้ตกน้ำเกือบตายสองครั้งเนี่ยก็ทำให้เธอเนี่ยเป็นคนที่ร่างกายออนแอร์เวลาโดนแดดมากๆเนี่ยก็จะเป็นลมทันทีเลยหรือร้องไห้มากๆ ก, ก็เป็นลมจนเพื่อนที่โรงเรีย น, นยมองว่าเธอสำ อ, อิลคันพออายุ1 8 8 9เนี่ยแม่ก็มาตายพอแม่ตายเนี่ยพ่อซึ่งรักแม่มากเนี่ยก็ช็อกเลยหัวใจวายแต่ไม่ตายนะแล้วป่วยหนักมาตลอดเธอก็ต้อง รับผิดชอบครอบครัวบ้านโดนยึดเพราะเป็นหนี้ต้องหาเลี้ยงครอบครัวหชีวิตคันพออายุ24่เธอก็มีครอบครัวและเธอก็มีลูกลูกชายนะด้วยความซวยหมอเนี่ยเอาครีมขี้ตอนที่ออกจากช่องคลอดที่พลาดทำให้เด็กเนี่ยพิการและไม่ใช่แค่นั้นนะก็ทำให้เธอเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย เธอก็เองก็เป็นเนื้องอกในปากช่องคอดด้วยความซวยก็ซ้ำหนักเข้าไปอีกหมอเนี่ยดันผ่าเอาเนื้อดีออกไม่ใช่เอาเนื้อเสียเธอต้องมาโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งมาครั้งนี้หมอก็ต้องเอาเอามดลูกออกลัางไข่ออกหมดเลยทีนี้แล้วตั้งนั้นมาเธอก็ขาดฮอร์โมนไงแล้วกินวิตามินช่วยเนี่ยก็ทาให้แพ้อย่างรุนแรงจนทำให้กระดูกผุกลายเป็นโรคกระดูกผุ แต่ไม่ใช่แค่นั้นเดี๋ยวตอนผ่าตัดเนี่ยเป็นโรกกระเพาะอย่างรุนแรงด้วยตัวเตอร์บวมเขียวหมอก็ผ่าท้องแล้วก็ตัดไส้ออกครึ่งหนึ่งอายุยังไม่ถึง2ี่้าเลยเอวัยวะก็เหลือไม่เท่าคนทั่วไปแล้วถูกตัดรุ่นตัดนี่แล้วสามีเธอเนี่ยก็เห็นว่าเธอเนี่ยมีปัญหาลูกกพิการสภาพร่างกายก็อ่อนแอย่าแย่อยู่ไปก็มีความสุขจึงของเลิกเธอกำลังเลยต้องเลิกกับสามี แต่เธอก็ไม่กดดาษโชคชะตานะไม่โทษคนน้นคนนี้แต่ความสวยไม่ได้จบลงแค่นั้นมีวันหนึ่งเธอขับรถไปแล้วรถติดไฟแดงเพอเอิญนไอรถเมยเนี่ยมันเบรกแตกระชนอย่างแรงเลยทำให้เธอละคอหักเลยคอหักแต่ไม่ตายนะเพราะกระดูกผูกอยู่แล้วคอก็เลยหักกระดูกคอเดียวไปทับเส้นประสาทจนทำให้เป็นอมาาัมพาตตอนแรกก็คิดว่าไม่หายแล้ว นอนนิ่งอยู่โรงพยาบาลต้อง2เดือนแต่ข้ อ, อย่างดีที่ว่าหมอรักษาให้หายกลับมาได้โดยไม่เป็นอัมพาตเธอก็มาใช้ชีวิตตามปกติแห ล, ละหลังจากนั้นเธอก็ซวยอีกรถเนี่ยวิ่งไปชนเสาวไฟฟ้าแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ขับนะมีคนขับจนเธอเธอเองเนี่ยแขนหักห้อยร่องแรงเลยแล้วก่อนที่แขนหักเนี่ยเธอก็ไปเอามือไปแบบช่วยช่วยคนขับหักโครงอะไรไงเพื่อไม่ให้ชนราวสะพาน จนทําให้ก้านของเกียร์เนี่ยทิ่มเข้าไปที่โครงทําให้ตับแตกก็เลยต้องรักษาตัวชีวิตของเธอเนี่ยฟังดูแล้วมีแต่เรื่องซวยๆนั้นเลยเธอกับมีกําลังใจที่ดีมากเลยช่วงที่รักษาตัวนะช่วงที่คอหักเนี่ยหมอเนี่ยเ ข, เ, ขเขาก็จะแบบเจาะกะโหลกยึดแม่คอเนี่ยื่อนไปเคลื่อนมาช่วงเนี้ยเธอปวดทรมานมากอยากจะร้องแต่ว่าเธอก็มีความรู้สึกว่าถ้าร้องไปเนี่ยก็เห็นใจคนที่ไปเยี่ยม จึงใจแข็งทนเวทนาความเจ็บความปวดเพราะว่าเธอต้องการไปให้กาลังใจคนอื่นไงไม่อยากให้คนอืนทุกตามเธอด้วยช่วงที่เธอปว่วยนะก็มีคนเนี่ยมาเยี่ยมเป็นห่วงเธอแล้วก็มาเล่าความทุกข์ต่างๆให้ฟังกันจนตอนหลังเนี่ยเธอก็รับไม่ไหวเลยเปลี่ยนแผนก็เลยให้คนที่มาเยี่ยมเธอเนี่ยนั่งสมาธิเพื่อจะได้ไม่มาพูดเรื่องทุกๆให้ฟังอีกแล้วก็ได้ผลทําให้คนที่ไปเยี่ยมเนี่ยมีความสุขไปด้วยเกิดกําลังใจ คือคุณเกษมสุขเนี่ยเป็นคนมองโลกในทางทางบวกคือเจอโชคร้ายเคราะห์ร้ายแก่ก็รับได้รับชะตากรรมนะคือเป็นผู้หญิงแก่งเพราะเป็นบางคนรับไม่ได้หรอลูกกภิการสามีก็ทิ้งแถมเจอบัตรเหตุที่คนอื่นทําให้ตัวเองไม่ได้ทําเลยไม่ว่าจะเป็นหมอเอาลูกออกมาทำเป็นลูกพิการหรือหมอตัดเนื้อผิดตัดเนื้อดีเนี่ยหรือไม่ก็รถมาชนทั้งหน้าทั้งหลังมีเรื่องซีสวยอย่างนั้นชีวิตเธอก็ผ่านไม่ได้ อันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้พวกโยมเนี่ยถ้าเวลาเราทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก็นึกถึงคุณเกษมสุข ก, ก็แล้วกันอาจจะช่วยได้เพราะเราเนี่ยอาจจะสูญเสียญาติพี่น้องเสียคนรักเสียคนที่เรารู้จักเนี่ยก็ยังไม่ร้ายแรงเท่าเสียอวัยะวะเลยเสียสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดคนใจไม่แข็งเนี่ยท้อแท้และค่าตัวตายได้แล้วกันเพราะถือว่าชีวิตจะหมดหวังแล้วอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีเรื่องเล่าว่ามีพิสุณีอยู่ท่านหนึ่งสมัยที่ยัง เป็นโยมนะเธอชื่อว่าป a าจราเป็นลูกาสาวเศรษฐีเมืองเมืองสาวัตถีพ่อเธอรวยมากแล้วก็หวงเธอมากจึงสร้างปราสาทเจ็ดชั้นแล้วให้นางปราจราเนี่ยอยู่ชั้นที่เจ็ดจะไปเที่ยวไหนก็ต้องขอนุญาตแต่แล้วเธอก็ไปชอบคนใช้ที่อยู่ในบ้านนั่นแหละแล้วก็ได้เสียกันโดยที่พ่อไม่รู้ตอนหลังพ่อก็ให้เธอเนี่ยแต่งงานกับลูกเศรษฐีที่มีฐานาทะทัเทียมกันเธอรู้ข่าวงี้ก็ ชวนคนรักเธอเดี๋ยหนีไปอยู่ด้วยกันเพราะความรักแท้จึงยอมลำบากแหะไปอยู่ที่ชลตาบทห่างไกลอยู่แบบยากจนกระท่อมเล็กๆข้ามผ่านไประยะหนึ่งเธอก็ตั้งท้องผู้หญิงอินเดียในทศเวลาท้องก็อยากจะไปเยี่ยม บ, บ้านอะ่ะจะไปให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นไงจึงขอลาสามีไปเยี่ยม บ, บ้านสามีก็ไม่รู้ญาตเพราะว่ากลัวพ่อแม่จะไม่ให้อภยัยเพราะาอุตส่าห์พาหนีข้อหาก็หนักอยู่เหมือนกัน วันที่สามีเธอไม่อยู่เนี่ยเธอก็แอบหนีจนได้หนีไปแล้วก็ไปค้อลูกระหว่างทางสามีก็ตามมาจนทันนะแล้วก็ชวนกลับบ้านเหมือนเดิมกาลเวลาผ่านไปเธอก็ตั้งท้องคนที่สองก็อยากกลับบ้านอีกก็เหมือนเดิมไปแหละหนีสามีไปแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะเพราะว่าเธอหนีมาเนี่ยแล้วก็มาค้อลูกระหว่างทางสามีก็มาทันเหมือนกันแต่วันนั้นเป็นวันที่มีพายุฝนกระหน่ำอย่างรุนแรง ตกหนักมากฟ้าร้องฟ้าผ่าน่ากลัวสามีก็ไปหากิ่งไม้หาไปไม้เพื่อจะมาทาเพลิงไปที่หลบฝนแต่ดึกข้อกรรมทำให้ไปเหยียบงูเข้าแล้วก็โดนงูพิษเนี่ยกัดตายนางปจจราชญ์ลาเนี่ยรอสามีรอแล้วรอเล่าไม่มาออกไปดูเห็นสามีตายเนี่ยเธอก็เสียใจร้องห่มร้องไห้แล้วก็ทนทุกทรมานกับการที่ตากฝนน่ทั้งคืนเลยคันสว่างเธอก็จูง ลูกคนโตแล้วก็อุ้มลูกที่เกิด เ, เดินทางไปเมืองเสาวสถีระหว่างทางข้างหน้านก็มีมีน้ำหลากมาน่าจะเป็นลำทายไม่ถึงกรใหญ่หรอกแต่ว่าก็คงจะลึกพอสมควรเพราะฝนตกหนักก็คงจะกว้างอยู่เธอไม่สามารถเอาลูกสองคนไปพร้อมกันได้จึงตัดสินใจวางลูกที่เพิ่งเกิดไว้ฝั่งนี้แล้วก็อุ้มลูกชายคนโต เ, นเอาไปทิ้งฝั่งุ่นก่อน พอเสร็จแล้วเธอก็วางลูกคนตัวไว้แล้วก็ข้ามกลับมาทันมาถึงกลางลำธารเนี่ยก็มีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินมาผ่านมาพอดีเห็นเด็กที่เพิ่งเกิดเนี่ยสียังแดงคิดว่าเป็นเนื้อยึดบินถลารลงมาเฉี่ยวนางเห็นเข้าตกใจแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วถึงโบกมือโบอกไม้เนี่ยเหี่วก็โฉบลูกนางไปต่อหน้าตาระบว่างที่นางโบกมือไล่ยเหี่ยวเนี่ย ลูกชายคนโตทีอยู่ฝั่งตรงนู้นเน่ยเขคิดว่าแม่เรียกจึงลงน้ําไงแล้วก็จมน้ําหายไปต่อหน้าออตานางเหมือนกันนางปตจราเนี่ยก็ยังโซซัสโซเซเดินทางกลับบ้านนี่แหละค่อยมาถึงเธอก็ถามข่าวบ้านเศรษฐีว่าทางพ่อแม่เป็นยังไงบ้างคนที่ผ่านมาก็บอกอย่าไปถ า, ถามถึงบ้านนั้นเลยเพราะเมื่อคืนเนี่ยมีพายุฝนรุนแรงแล้วก็ฟ้าผ่าบ้านหลังนั้นเนี่ยไฟไหม้ทั้งหลังเลยแล้วก็ครอบคนในบ้านตายหมด ตัวเศรษฐีมีพี่ชายคนใช้ตายเกี้ยงนางประจาจจ า, าเนี่ยธรรมดาสติเหลือน้อยอยู่แล้วนะเจอเหตุการณ์วิระโยคเนี่ยก็เป็นลมล้มทั้งยืนเลยสลบไปเลยตอนนี้ก็ภาพขอหลุดลุย่ยเนื้อตัวมอมแมมก็คือเป็นบ้าเจอใครก็ถูกไล่คนก็บอกอีบ้าไปให้พ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขารู้ความหลังเบื้องหลังว่าเธอเจอเหตุการณ์อะไรมาเนี่ยจะสงสารแล้วไล่ไม่ลง เธอก็เดินกระเซิกกระเซิงหลายจุดรูปหมายจนไปถึงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ก็โดดโดนคนที่ฟังธรรมน่ยไล่แต่พระพุทธองค์เนี่ยอนุญาตให้เธอเนี่ยเข้าเฝ้าเข้ามานะตอนแรกยังไม่มีสติพระพุทธองค์ก็น้องหญิงสติจกลับมาเธอพอพระพุทธองค์พูดจบเนี่ยเธอก็ได้สติขึ้นมานทีรู้ว่าตัวเองเนี่ยเปื่อยอยู่เนื้อตัววอมแร ม, มก็เกิดฟ้ลาละอาย คนแถวนั้นก็เลยโยนผ้าให้เพื่อเธอโน้ให้เรียบร้อยแล้วเธอก็ประกาบแทบเท้าของพระพุทธองค์แล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังถึงการสูญเสียลูกสองคนสามีพ่อแม่พี่พระพุทธองค์ก็ตัดปอบรากว่าต่อให้เธอเนี่ยร้องไห้จนน้ำตาท่วมตัวเนี่ยก็ไม่อาจทำให้พ่อแม่พี่สามี ลูกทั้งสองเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้น้ําตาของคนที่ร้องไห้เพราะรักวิญโยคเลยในวัตัดสงสารอันยาวนานเนี่ยถ้าจะนับรวมมาแล้วเนี่ยมีมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้ง4ี่ซะอีกเพราะฉะนั้นเธอจงทําตนให้เป็นที่พึ่งกับตัวเองได้เธอคนอันเป็นที่รักเนี่ยไม่จะเป็นพ่อแม่หรือใครเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งเราได้ได้จริงจะได้ประมาทพอพระองค์ตัดจบเนี่ยนางก็ไขฟ่ฟวาเศร้าโศกลง แล้วพระพุทธองค์ก็พูทธมาให้ฟังจิตของเธอเนี่ยก็ค่อยอย่างเข้ากระแสเป็นโสดาบันแล้วก็บวชเป็นภิษุณีแล้วก็ปาดว่าความเพียรทําคําเพียรเนี่ยไม่นานเธอก็บรรลุเป็นอรหันต์อันนี้ความทุกข์กับพิกชีวิตคนนะทำให้คนที่ทุกข์มากๆเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเศร้าโศกสุดขีดเนี่ยคนจะปราบทุกข์ได้แต่ก็เป็นไปนได้ยากนะคนที่ทุกข์มากๆเนี่ยก็ออกจากทุกข์ได้สมัยพุทธกาลก็มีหลายเรื่องนะ มีอีกคนหนึ่งก็คือสัน ต, ติอมาดนี่แหละที่ว่าไปรบแลวชนะมาเนี่ยพระเจ้าประสิทธิที่กุศลเนี่ยให้ของราชแทนเจวันให้ใช้ชีวิตยอย่างราชาเนี่ยเจวันนั้นสันติอมาดเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เลยให้ผู้หญิงมาฟ้อนลำกินเหล้าคือปนเปิดความสุขทางอจนานตัวเองไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนไงพลพระราชาเนี่ยเต็มที่นางลัเนี่ยก็ลั ฟอนมาหลายวันเนี่ยพักผ่อนไม่พอพอถึงวันที่7เนี่ยก็ตายต่อหน้าอมาดด้ยแหละสานติอมาดเนี่ยชอบใจนางรำมากพอรู้ว่านางรำตายเนี่ยใจเปลี่ยนเลยเสียใจมากเศร้าโศกคือกลางเมาอยู่จิตเป็นพิกเลยนะกลายเป็นเศร้าแทนจึงไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระหรหันได้สมัยก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีทามียานอย่างรู้ไง คนพูดธรรมะกับคนนี้ย่างไรให้ธรรมะแบบไหนผู้คนจึงบรรลุธรรมกันง่ายไงแทบไม่ต้องปฏิบัติธรรมกันเลยแหละแค่ไปฟังธรรมจากผู้องค์เนี่ยก็บรรลุแล้วแต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปการบรรลุธรรมก็ยากขึ้นสี่เวทล้ อ, ลอก็เปลี่ยนอย่างเมื่อกี้อาจารย์พนาชัยก็นําเราสวดมนต์บทจเจริญเมตตาการเจริญเมตตาบ่อยเนี่ยถ้าเราทําบ่อยๆนะทำจะเป็นนิสัยเนี่ยชีวิตของเราจะมีความสุขจะไม่ค่อยมีอันตราย ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุเจ้ากรรมนเวญจะน้อยลงยังมีชา ย, ยคนนึงเนี่ยขี่ข่าตัวตายนะขึ้นไปบนดาดฟ้าของตึกเนี่ยตอนนั้นก็เป็นแบบเช้ามืดพราทิตย์กลังจะขึ้นนั่นแหละเาเรื่องบูมที่จะตายไปแล้วเพอเอเนี่ยเห็นข้าล่างเน่ยเห็นวินมอไซค์ก็คิดว่าเอ้ยถ้าโดดลงไปเนี่ยก็ต้องไปทับมอเตอไซตายแน่เลยจึงเปลี่ยนใจหามุมอื่นเพอเออร์ในมุมที่จะโดดเนี่ยพราทิตก็ค่อยโผล่ เทนิสเทนิสเทนิสจะเต็มดวงแสงสีทองเต็มท้องฟ้าเนี่ยจิตของชายที่ฆ่าตัวตายจะเปลี่ยนเลยความคิดจะฆ่าตัวตายจะหายไปเกิดกําลังใจที่สู้ชีวิตขึ้นมาพอพาทิตขึ้นเนี่แหละสังเกตนะคนนี้รอดชีวิตเพราะคามเมตตานะคือถ้าไม่เห็นใจวินมอไซค์อยู่ข้างล่างเนี่ยก็คงตายไปแล้วแหละพอเราเมตตาคนอื่นคาเมตตามันก็วิ่งมาหาเราแหละอย่างเราช่วยคนอื่นคนืนก็ช่วยเราเราให้คนอื่นมีความสุข ความสุขนั้นก็มาหาเราอย่างเราให้อาหารหมาให้อาหารแมวให้อาหารปลาใส่กลรักเราแต่ถ้าเราไปไล่ตีเขาก็เกลียดเราคือเขามีชีวิตจิตใจเหมือนเราแหละคนก็เหมือนกันถ้าเราเมตตาช่วยเหลือเขาเขาก็รักเราแต่ถ้าเราไม่มีรูสัมพันธ์ไม่ช่วยเหลืออะไรใครก็ไม่มีใครรักอันนี้เป็นเรื่องของความจริงเราอยากให้คนทักทายเราเราก็เราพูดทักทายเขาต้องแสงความจริงใจก่อนแต่ถ้าเราไม่อยากพูดอะไครก็ คนอื่นเขาก็ไม่อยากพูดกับเราบุสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องผู้เริ่มอ่ะอันนี้อยู่ที่เราจะเลือกมีหลายคนที่บุสัมพันธ์ดีไปที่ไหนก็มีความสุขมีเพื่อนมีมิตรไปที่ไหนก็สะดวกอะ่ะไม่รู้ตรงไหนก็ถามถามคนที่พื้นที่ไปเที่ยวไหนก็สะดวกแต่ถ้าคนไม่รู้ไม่ถามอะไรเนี่ยไปไหนก็ลำบากไม่ค่อยมีใครช่วยเหลืออันที่ข้อต่างคนที่มีมิตรทั้งสิบทิเดเนี่ยย่อมดีกว่ามีศัตรูทั้งสิบที เดี๋ผู้โยมมาวัดมาปฏิบัติธรรมข้อดีก็ถือว่าคุ้มมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ไปสารก็จะมาพูดธรรมะแต่เช้าเลยฉันเช้าแล้วก็ตอนเย็นอาจารย์ไปสารปีดิ้อายุ60ปีแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กระแสอาจารย์ไปสารที่ข้าพเจ้ารู้จักอันมาก็จะให้คนที่รู้จักมักคุยกับอาจารย์ไปสารเนี่ยเขียนเรื่องราวต่างของท่านเนี่ยรู้จากท่านมุมไหนลง Facebook แล้วก็จะเอาเนี่ยไปทำเป็นหนังสือ ตอนนี้ก็ลงไป4คนแล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีข้อเขียนที่ไม่เหมือนกันเลยไปคนละทิศคนละทางอย่างธรรมานเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องเทศชอบเรื่องพวกธรรมะก็จะมองอาจารย์ไปศาลเนี่ยในด้านของนักเทศเทศเข้าถูงจิตวิ ญ, ญญาณผู้ฟังมีคนสามคนอาจารย์กเทศมีคนหลายพันอาจารย์กเทศเทศแล้วมีความสุขใครจะกวนยังไงก็เทศได้ไม่ว่าคนจะคนฟังเนี่ยจะพูดลบกวนคุยกันหรือยกมา้ายกมือไอ ทำเสียงดังก็ไปทําให้อาจารย์วันไหวอาจารย์ก็เทศยอย่างมีความสุขอันนี้คือมุมมองของธรรมานะแต่อาจารย์วัฒชายัยท่านก็จะมองอาจารย์ไปสานเรื่องธรรมะเรื่องกรรมเศษแก้วอาจารย์ก็เขียนไว้ดีนะมีคนมากดไลค์ชมเยอะแยะหมดเลยปกติอาจารย์ก็วัฒชัยก็ไม่เคยเขียนนะอ า, ารมาให้ให้ท่านเขียนท่านก็เขียนก็นําไปลง Facebook เ, เหมือนกันคือท้าคนมองเห็นภาพเลยนะว่าเศษแก้วเนี่ยถ้าเรากรำเนี่ยมันต้องได้เลือด ได้แผลแน่นอนก็เปรียบเหมือนคนเราเนี่ยชอบเอาความคิดในอดีตเนี่ยมาตอกย้ําตัวเองเอา ค, ความคิดที่ทุกโศกความคิดที่ที่ไม่ดีอะ่ะที่คิดแล้วจิตใจเศร้าหมองท้อแท้หมดกาลังใจมาคิดตอกย้ำไงคือคิดทุกครั้งก็เหมือนเราบี บ, บ, บแก้วไงก็ได้แผลทุกครั้งแต่ถ้าเรามีปัญญาปุ๊บเนี่ยเราก็ปล่อยแก้วพอปล่อยแก้วไม่ปรุงแต่งต่อเราก็ไม่ทุกไม่ได้บาดแผลจาก ความคิดนั้นถ้าเรามีสติขึ้นมาเนี่ยสมมติเราจะคิดถึงคนที่ทําร้ายน้ําใจเราทําร้ายจิตใจเราปุ๊บเนี่ย ม, มันหลุดเลยนะ แ, แค่คิดถึงชื่อปุ๊บเนี่ยจะหายไปเลยแต่เราไม่มีสติเราก็ปรุงแต่งถึงชื่อถึงคนถึงหน้าถึงการการะทำเหมือนเราเอาซีดีมาฉายใหม่อะ่ะหนังเรื่องเก่ามาเล่นใหม่เล่นอยู่นั่นแหละบางคนเป็นเล่นหนักๆเข้าถึงขัง้นฆ่าตัวตายก็มีย้ำคิด ย, ย้ำทำหันหน้าออกไม่ได้ปล่อยเศษแก้วก็คือปล่อยวาง ปล่อยวางปุ๊บแผ่ใจก็ไม่เกิดเราก็มีความสุขแต่ก็ต้องอาศัยการเจริญสตินะถ้าเราไม่เจริญสติเนี่ยเราก็ต้องเข้าเป็นผู้เป็นนี่แหละอาจารย์วัฒชัยเขียนได้ชัดเจนตรงนี้แล้วมาอาจารย์ตุ้มอาจารย์ตุ้มนี่ท่านจะเป็นพระที่ชอบพวกปัจจัยสี่ปัจจัยสีก็คือเครื่องนุ่มโฮมของพระบิดา บ, บาติสิเสนธนนะต่างๆแล้วก็ยารักษาโลกท่านจะไปพูดเรื่อง มดเรื่องปวกหรือตุ๊กแกว่าพวกนี้อยู่ก่อนแล้วนะเราเราอยู่ที่หลังเราอย่าไปไล่เขา้าอย่าไปเหยียบเยียดเขาเราต้องเมตตาต่อการต่างขนต่างอยู่ไปอันนี้ก็คนอ่านก็รู้สึกว่าเอออาจารย์ตุ้มนี่ก็มีมุมมองที่น่ารักดีคือมีมุมมองที่แปลกไปแล้วอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์อาทิตย์ท่านเป็นเจ้าว่าเจ้าสํานักที่เชียงรายก็เป็นพระภาษามากอัตราท่านก็มีบารามีมากอะวัดท่านเนี่ยสร้างแั๊บเดียวแหละใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้พื้นที่ ภูเขาเป็นลูกเลยก็มีคนรู้จักเยอะเชียงรายเชียงใหม่แต่ท่านเข้งนะท่านก็ชอบประจารเป็สารระบาให้ท่านเขียนเขียนในมุมของท่านแหละท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ14ปีก่อนเนี่ยมาวัาป่าสุโกโตนะแล้วท่านขึ้นรถมากับพระอยู่ท่านหนึ่งคือท่านมากับเพื่อนน่ะสองรูปหรสารูปเนี่ยแล้วรถสมัยก่อนที่วัดป่าสุโกโตมายากต้องเบียดกันมาท่านก็คุยกับพระรูปนั้นแหละแต่ท่านกยกมือไหว้นะตามธรรมเนียม แล้วก็ไม่ได้ถามแล้วไม่รู้ว่าพระรูปแล้วเป็นใครจนพระรูปนั้นน่ะลงที่วัดภูขอทองพระรูปนั้นยังห่วงอีกบอกว่าสุขโตหนาวนะมาก็ให้หาพระหม่มผ้าอะไรเนี่ยให้คนตำ ร, รวจตรุษวงให้อาจารย์ทิพย์เนี่ยมาถึงสารานาเนี่ยก็ขึ้นไปดูหนังสือไงไปเจอรูปอาจารย์ไปศาลอยู่ในหนังสือก็เอ๊ะพระรูปนี้นั่งรถมาดิวกันนี่นั่งนเบียดกันมาแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครก็เลยหัวเราขำเมื่อทั้งสามคนที่มาอันนี้คือมุมมองของท่านนะ ละสิ่งที่อาจารย์ทิพย์ชอบก็คืออาจารย์ทิพย์เป็นพระที่เข่งเนี่ท่านก็จะมองว่าไม่มีสิ่งใดประเสริฐของความเป็นนักบวชอีกแล้วต่อให้มีเงินกี่ล้านมาแลกท่านก็ไม่ยอมท่านกระโบวชตลอดชีวิตคือถ้าจะจําคําของอาจารย์เปีารเนี่ยที่ว่าบอกว่าความเป็นพระเป็นอย่างอื่นความเป็นพระเนี่ยคือมีเกียรติกว่าเป็นอย่างอื่นอันนี้คือมุมมองของอาจารย์ทิพย์แล้วมีอีกหลายคนที่อนามาติดต่ออยู่คืออาจารย์โน้ตไม่รู้จะท่านจะเขียนให้หรือเปล่าแต่คิดว่า คงจะตื้อให้เขียนให้จนได้เพราะว่าหลองเจ้าว่าถ้าไม่เขียนก็ขาดสีสรนคือช่วงนี้อาตมาก็ไ่อยว่างไงแต่ถ้าว่างก็จะไปตื้อให้เขียนก็มีอาจารย์สมใจก็จะเขียนให้คือปีนี้อาจารย์ไปศาลก็60ปีไงทำหนังสือก็ถือว่าท่านนะ่ยเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนหลายคนในวัดเลยเมื่อจะเป็นเรื่องเทศสธมีจิตวิญญาณของนักเทศแล้วอาจารย์ท่านหาความรู้ตลอดไงความรู้ของท่านเนี่ยจริงมาก พูดอะไรก็ได้อัลมาเคยไปร่วมกิจกรรมมาท่านเนี่ยที่ภูเก็ตอาจารย์สามารถพูดได้แทบทุกเรื่องเลยแต่อยู่ที่วัดท่านัน้ไม่เคยได้พูดเท่าไหร่นะแต่อยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยอาจารย์จะพูดอีกแบบหนึ่งคืออบรมคอร์สการช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะสุดท้ายแล้วก็เผชิญความตายอย่างสงบซึ่งคอร์สแบบนี้อาจารย์ไป็สามาไม่เคยจัดที่สุกโตะไงที่วัดป่าสุขโตะจึงไม่มีใครรู้ว่าอาจารย์สอนยังไงทํำยังไงโยมที่มาร่วมเนี่ยก็เสียมตากันเป็นแถวเลย คิดถึงพ่อถึงแม่ที่จากไปแล้วครั้งหนึ่งเราเคยทาผิดไปแล้วพลาดไเพราะว่าจิตสานึกมันผุดขึ้นมาไงทุกคนจะมีความผิดอยู่มีตะกรมมีแผลใจมันก็ต้องลบล้างอ่ะถ้าไม่ล้างเนี่ยมันจะออกตอนตายคือขอขอมาใครได้ให้อภัยก็ได้ยกโทษให้ใครได้เนี่ยก็ต้องรีบทาซะขนาดที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเพื่อไม่ให้ค้างคาใจดอกกันไงก็ถ้าเราขอั่วใครก็ระ บ, บุเจ้ากาันในเวเป็นหนึ่งคนละ ให้ภคยใครแล้วก็บทเจ้ากรรมในเวรเป็ห น, นึ่งคนในวตสาสงสารยาวไกลเนี่ยเราไม่รู้เลยอาจจะต้องเกิดมาใช้กรรมใช้เวรต่อกันได้ทุกคนเคยเจอกันมานานแล้วแหละไม่งั้นไม่มีโอกาสไปเจอกันอีกหรอกธรรมะที่อนามาพูดเนี่ยส่วนมากกว่านี้เป็นดาม่านะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเรื่องตลกอะไรเท่าไหร่มีแต่เรื่องชวนเศร้าชวนหดหู่ส่วนมากก็มาจากอาจารย์เบสานนั่นแหละเรื่องคุณกเกษมสุขเนี่ยอนมาก็จํามาเราวมาเล่าให้โยฟังในเวอร์ชั่นของอนมาจริงเนี่ยพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลา ท้ายนี้ก็ขอให้โยมเนี่ยมีกำลังใจสู้ชีวิตแล้วก็มีความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปขอจบลงแค่นี้